ป, ปิดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิทยาลายัยเล่มที่25หพระสุตตันตปิดกขุทธกะนิกายขุทธกปาถะธรรมบทอุทานอิติอุตตกะสุตตันิบาต สุตันตปิฎกขุตกะนิกายขุตกะปาทะขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งสารณคมว่าด้วยการถึงพระรัตนตรัยเป็นสราระเขาพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสราระเขาพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสาระ ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นสรณะแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นสระณะแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสรณะแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสม์เป็นสาระแม้ครั้งที่ 3. สามสาระคมจบ 2. ทศสิขาบทว่าด้วยสิขาบทสิบประการ 1. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากพฤติกรรมอันไม่ใช่พรหมจรรย์ 4. ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ ข้าขพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท 6. ข้ขาพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการ 7. ข้ขาพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเจตนางดเว้นจากการฟ้อนรำขับร้องบรรเลงดนตรี และดูการละเล่นอันเป็นค่าศึกต่อ 8. ขุศล 8. ค้าพเจ้าขอสมท า, านสิขาบทคือเจตนางดเว้นจากการทัรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล 9. เข้าพเจ้าขอสมาทานสิขาบทคือเจตนางดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่ 10. บเขาพรเจ้าขอสมท า, านสิขาบท คือเจตนางดเว้นจากการรับทองและเงินท้าสศิขาบทจบ 3. ทวัตติงสาการว่าด้วยอาการ32ในร่างกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืด ม, ม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลน้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปเลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดและมันสมองทวัตติงสาการจบ สีสมเนรปัญหาว่าด้วยการถามปัญหากับโสปากะสามเนรหนึ 1. อะไรชื่อว่าหนึ่งที่ชื่อว่าหนึ่งได้แก่สัตว์ทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร 2. อะไรชื่อว่าสองที่ชื่อว่าสองได้แก่นามและรูป 3. อะไรชื่อว่าสาม ที่ชื่อว่าสได้แก่เวทนาสามสอะไรชื่อว่าสี่ที่ชื่อว่าสี่ได้แก่อริยสัจสี่หอะไรชื่อว่าห้าที่ชื่อว่าห้าได้แก่อุปาทานขันห้า6อะไรชื่อว่าหกที่ชื่อว่าหได้แก่อายตนะภายในห7อะไรชื่อว่าเจ็ด ที่ชื่อว่าเจ็ดได้แก่โพชงเจ็ดอะไรชื่อว่าแปดที่ชื่อว่า8ได้แก่อริยมรตมีองค์8 9อะไรชื่อว่าเกที่ชื่อว่าเกได้แก่สัตตาวาสเก้สอะไรชื่อว่าสิบที่ชื่อว่าสิบได้แก่บุคคลผู้ประกอบด้วย อ, องค์คุณสิบเรียกว่าพระอาหารหันต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 อารามของอนาถบิณกะเศรษฐีเคครุงสาวถีครั้งนั้นเมื่อราตรีผ่านไปเทวดาองค์หนึ่งมีวันณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วพระเชตวันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าเทวดาและมนุษย์จานวนมากตามมุ่งหวังความสวัสดี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 35. จิตของผู้ที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว 36. จิตไม่เศร้าโศก 37. จิตปราศจากทุลี 38. จิตกเกษมนี้เป็นมงคลอันสูงสุดเทวดาและมนุษย์ทำมงคลดังกล่ามานี้แล้วไม่พ่ายแพ้ข่าศึกทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน ทั้ง38ประการนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์เหลาห่านั้นมงคลสูตรจบ 6. รัตนสูตรว่าด้วยรัตนอันปราณี พระผู้มีพระภาคตรัสรัตนะสูตรดังนี้ผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตยอยู่บนผ้าพื้นหรือผู้สิงสถิตยอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ขอให้ผู้ทั้งปวงจงเป็นผู้มีใจดีและจงฟังภาสิทธิ์โดยเคารพเถิดเพราะฉะนั้นแลผู้ทั้งปวงท่านจงใคร่ครวนจงแผ่เมตตาต่อหมู่มนุษย์ด้วยเถิด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 ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระสากยมุนีผู้มีพระทัยตั้งมั่นทรงบรรลุธรรมใดอันเป็นที่สิ้นกิเลสปราศจากราคะเป็นอมตะธรรมอันปราณีตไม่มีธรรมใดๆที่เสมอด้วยธรรมนั้นนี้เป็นรัตนะอันปราณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ รสรรเสริญสมาธิใดว่าเป็นธรรมสะอาดตรัสถึงสมาธิใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นที่เสมอด้วยสมาธินั้นไม่มีนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรมด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลร้อยแปจำพวกที่สัตบุรุษสรรเสริญซึ่งจัดเป็นบุคลคลสี่คู่เป็นสาวกของพระสุคต เป็นผู้ควรแก่ทักษิณาทานที่เขาถวายในบุคคลเหล่านั้นมีผลมากนี้เป็นรัตนาอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีบุคคลเหล่าใดในาศาสนาของพระโคดมพุทธเจ้าเป็นผู้ประกอบตนไว้ดีมีใจมั่นคงหมดความห่วงใหญ่บุคคลเหล่านั้นชื่อว่าบรรลุอรหัตผลอย่างถึงอมตะนิพพาน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 ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดีพระโสดาบันเหล่าใดรู้แจ้งอริยสัจ ท, ที่พระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงแล้วถึงแม้ว่าพระโสดาบันเหล่านั้นจะประมาทไปบ้างท่านเหล่านั้นก็จะไม่เถอกำเนิดในภพที่8นี้เป็นรัตนาอันประณีในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี พระโสดาบันนั้นละธรรมสามประการคือสักยัติจิวิจิกิจชาและศีลปะตะปรามาตพร้อมกับการบรรลุโสดาปฏิมักได้แล้วแม้จะมีกิเลสบางอย่างเหลืออยู่พระโสดาบันนั้นพ้นแล้วจากอบายทั้งสและจะไม่ทำอภิฐานหนี้เป็นปรัตนาอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยสัจจะนี้ขอให้มีความสวัสดี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 ขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนผ้าพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระธรรมของพระตถาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีผู้ทั้งหลายผู้สิงสถิตอยู่บนผ้าพื้นหรือผู้สิงสถิตอยู่ในอากาศที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมพระสงฆ์ของพระทธทาคตที่เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอให้มีความสวัสดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ถ้าเห็นว่าจะได้สุขอันยิ่งใหญ่ด้วยการเสียสละสุขอันเล็กน้อยนักปราชพึงเสียสละสุขอันเล็กน้อยเพื่อเห็นแก่สุขอันยิ่งใหญ่รัตนสูตร เจ็ 7. ดติโรกุตทสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฟ้าเรือนพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้เพื่ออนุโมทนาพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐ ด, ดังนี้ พวกเปรตพากันมาสู่เรือนของตนบ้างยืนอยู่ที่ฝาเรือนด้านนอกบ้างยืนอยู่ที่ทางสี่แพร่งสามแพร่งบ้างยืนพิงอยู่ที่บานประตูเมื่อมีข้าวและน้ำดื่มมากมายเมื่อของเคี้ยวของกินถูกจัดเตรียมไว้แล้วญาติสักคนก็ไม่นึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของสัตว์เหล่านั้นเป็นปัจจัยเหล่าชนผู้อนุเคระห์ย่อมถวายอาหารและน้าดื่มที่สะอาดประณีด เหมาะแก่พระสงค์ตามการอุทิศให้ญาติทั้งหลายที่เกิดเป็นเปรตอย่างนี้ว่าขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเราขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเถิดส่วนญาติที่เกิดเป็นเปรตเหล่านั้นพากันมาประชุมพร้อมกันณที่ให้ทานนั้นย่อมอนุโมทนาในอาหารและน้ําดื่มเป็นอันมากโดยเคารพว่าเพราะเหตุแห่งญาติเหล่าใดพวกเราจึงได้สุขสมบัติเช่นนี้ ขอญาติเหล่านั้นของพวกเราจงมีอายุยืนอันหนึ่งการบูชาญาติผู้เป็นทายกก็ได้ทําแก่พวกเราแล้วและทายกก็ไม่ไร้ผลในเปตวิสัยนั้นไม่มีกสิกรรมการทําไร่ไถานาไม่มีโคลรักรรมการเลี้ยงวัวไว้ขายไม่มีพาณิจกรรมการค้าขายเช่นนั้นการแลกเปลี่ยนซื้อขายด้วยเงินก็ไม่มี ผู้ที่ตายไปเกิดเป็นเปรตในเปตาวิสัยนั้นดำรงชีพด้วยผลทานที่พวกญาติอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้น้ำฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชั้นใดทานที่ทายุกอุทิศให้จากมนุษยโลกนี้ย่อมสำเร็จผลแน่นอนแก่พวกเปรตชั้นนั้นเหมือนกันห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรค้ให้เต็มเปี่ยมชั้นใด ทานที่ทายกอุทิศให้จากมนุษย์โลกนี้ย่อมสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายชันนั้นเหมือนกันกุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ญาติผู้ละไปแล้วเปรตเคยทําไว้ในการก่อนว่าผู้นั้นได้ให้สิ่งนี้แก่เราได้ทําสิ่งนี้แก่เราได้เป็นญาติมิตรและสหายของเราก็ควรถวายทักษิณาทานอุทิศให้แก่ญาติผู้ละไปแล้วการร้องไห้ ความเศร้าโศกหรือความร่ำไห้คร่ำครวญอย่างอื่นใดใครๆไม่ควรทำเลยเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติผู้ล่วงละไปแล้วญาติทั้งหลายก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นส่วนทักษิณาทานนี้แลที่ตั้งไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่หมู่ญาติที่เกิดเป็นเปรตนั้นโดยพลันทีเดียว ญาติธรรมนี้นั้นท่านแสดงออกแล้วการบูชาญาติที่ตายไปเป็นเปรตท่านทำอย่างยิ่งใหญ่แล้วทั้งกำลังกายของภิกษุท่านก็เพิ่มให้แล้วเป็นอันว่าท่านสั่งสมบุญไว้ไมิใช่น้อยเลยติโรกุฏสูตรจบ นิธิกันทสูรว่าด้วยการฝังขุมทรัพย์พระผู้มีพระภาคตรัสพระกถานี้แก่คุดดมพีคนหนึ่งในครุงสาวัตถีดังนี้คนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกจดถึงน้ำก็ด้วยคิดว่าเมื่อเกิดกิจที่จำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือ เพื่อให้พ้นจากราชภัยที่คอยคุกคามเพื่อให้พ้นจากโจรภัยที่คอยเบียดเบียนเพื่อเก็บไว้ใช้หนี้ก็มีเพื่อเก็บ ไ, กเเกบไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิภัยหรือเพื่อใช้ในเวลามีภัยอันตรายต่างๆคุ้มทรัพย์ที่เขาฟังไว้อย่างดีในที่ลึกจดน้ำถึงเพียงนั้นจะสาเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เพราะบางทีคุ้มทรัพย์ก็เคลื่อนที่ไปก็มี บางทีเขาลืมที่ฝังไว้ก็มีบางทีพวกหน้าเคลื่อนย้ายก็มีบางทีพวกยักษ์นาขุมทรัพย์นั้นไปก็มีหรือบางทีเมื่อเขาไม่เห็นทายาทผู้ไม่เป็นที่รักขโมยขุดออกไปก็มีเมื่อเขาสิ้นบุญขุมทัพย์ที่ฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศหายไปขุมทรัพย์ที่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังไว้ดีแล้วด้วยทานศีล สัญญมะและธรรมะในพระเจดีพระสงฆ์บุคคลแขกที่มาหาในมารดาบิดาหรือพี่ชายคุ้มทรัพย์นี้ชื่อว่าฟังไว้ดีแล้วคนอื่นค้นเอาไปไม่ได้จะติดตามคนฟังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจําต้องละไปเขาพาไปได้เฉพาะคุ้มทรัพย์นี้เท่านั้นคุ้มทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเหล่าอื่น ทั้งโจรก็ลักออกไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทําแต่บุญที่จะเป็นขุมทรัพย์ติดตามตนตลอดไปขุมทรัพย์นี้ให้ผ้นอันหน้าปรารถนาทุกประการแก่เทวดาและมนุษย์คือเทวดาและมนุษย์ปรารถนาผ้นใดๆผน้นนั้นๆทุกอย่างจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความมีผิวพรรณงดงามความมีเสียงไพเราะความมีชัวทรงสมส่วนความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ความมีบริวารทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ความเป็นพระราชาในประเทศความเป็นอิสระความสุขของความเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอันน่าพอใจและแม้ความเป็นเทวราชของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดก็จะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้สมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติเคยนิพพานก็ดีทั้งหมด จะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุคคลอาศัยมิตรสัมปทาประกอบความเพียรโดยแยบคายก็จะเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุตติทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้ปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบรารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิทั้งหมดจะได้ด้วยขุมทรัพย์นี้บุญยะสัมปทานี้มีประโยชน์มากอย่างนี้ เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราฏิจึงสรรเสริญภาวะแห่งบุญที่ทำไว้แล้วนิธิกันทสูตรจบเก้าเมตสูตรว่าด้วยการแผ่เมตตา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 ไม่ยึดติดในตระกูลทั้งหลายอันหนึ่งไม่ควรประพฤติความเสียหายใดๆที่จะเป็นเหตุให้วิญยูชนเหล่าอื่นตําหนิเอาได้ควรแผ่เมตตาไปในสรรพสัตว์อย่างนี้ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขมีความกระเสมมีตนเป็นสุขเถิดคือเหล่าสัตว์ที่ยังเป็นผู้หวาสดุง้งหรือเป็นผู้มั่นคงขอสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดจงมีตนเป็นสุขเถิด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 จงมีตนเป็นสุขเถิดไม่ควรข่มเพ็งไม่ควรดูหมิ่นกันและกันในทุกโอกาสไม่ควรปรารถนาทุกแกกันและกันเพราะความโกรธและความแค้นควรแผ่เมตตาจิตยังไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ดุดมารดาเฝ้าทนอมบุตรคนเดียวด้วยชีวิตฉะนั้นอันหนึ่งควรแผ่เมตตาจิตยังไม่มีประมาณกว้างขวางไม่มีเวร ไม่มีศัตรูไปยังสัตว์โลกทั่วทั้งหมดทั้งชั้นบนชั้นล่างและชั้นกลางผู้แผ่เมตตาจะยืนเดินนั่งหรือนอนควรตั้งสตินี้ไว้ตลอดเวลาที่ยังไม่ง่วงนักปราชญ์เรียกการอยู่ด้วยเมตตานี้ว่าพรห ม, มวิหารอันหนึ่งผู้แผ่เมตตาที่ไม่ยึดถือทิฏฐิมีศีลถึงพร้อมด้วยทัศนะกำจัดความยินดีในการมคุณได้แล้ว ก็จะไม่เกิดในคันอีกต่อไปเมตสูตรจบพุทธกะบาทะจบพระสุตตันตปิฎกคุธกะนิกายธรรมบท ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งยะมะกะวักหมวดว่าด้วยทำเป็นคู่กันหนึ่งจักขุ ป, ปาละเทระวัตถุเรื่องพระจักขุบาลเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ทมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ สเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจชั่วก็จะพูดชั่วหรือทำชั่วตามไปด้วยเพราะความชั่วนั้นทุกย่อมติดตามเขาไปเหมือนล้อหมุนตามรอยเท้าโคที่ลากเวียนไปฉะนั้น 2. มัตกุณทลีวัตถุเรื่องนายมัตกุณทลี พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่อทินะปุพะกะพราหมบิดาของนายมัทกุลทลีดังนี้ทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จด้วยใจถ้าคนมีใจดีก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วยเพราะความดีนั้นสุขย่อมติดตามเขาไปเหมือนเงาติดตามตัวเขาไปฉะนั้นส ติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสะเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวนว่าคนนี้ได้ ด, าาด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบระงับส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวนว่า คนนี้ได้ ด, าาด่าเราได้ฆ่าเราได้ชนะเราและได้ลักสิ่งของของเราไปเวนของชนเหล่านั้นย่อมสงบระงับ 4. กาลียักขีนีวัตถุเรื่องนางยักษ์ชื่อกาลีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่นางยักษ์ชื่อกาลีาาาาาลและหญิงคนหนึ่งดังนี้เพราะว่าในการไหนๆเวนทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมไม่สงบระ ง, งับด้วยเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมสงบระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรนี้เป็นธรรมเก่าหโกสัมพิกกวัตถุเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีพระผู้มีพระภาคตรับพระคาถานี้แกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ทะเลาะกันดังนี้ชนเหล่าอื่นไม่รู้ชัดว่าพวกเรากำลังย่อยยับอยู่ณที่นี้ ส่วนชนเหล่าใดในหมูนั้นรู้ชัดความมุ่งร้ายกันย่อมระงับเพราะการปฏิบัติของชนเหล่านั้น 6. มหาการเทรวัตถุเรื่องพระมหาการเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้มานย่อมครอบงำบุคคลผู้พิจารณาเห็นความงามไม่สำรวมอินทรีย์ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค เกียร์ครานมีความเพียรย่อหย่อนเหมือนพายุพัดต้นไม้ที่ไม่มั่นคงให้หักโค่นลงได้ฉะนั้นมานย่อมไม่ครอบมามบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นความงามสำรวมอินทรีย์ดีแล้วรู้จักประมาณในการบริโภคมีศรัทธาและปรารบความเพียรเหมือนพายุพัดโคน่นภูเขาศิลาไม่ได้ฉะนั้นเจเทวทัตตวัตถุ เรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคทรงปรารพระเทวทัตที่ได้ผ้ากาสาวะมีราคามากจากแคว้นคันทาระจึงตรัสพระคถานี้แก่พิสุชาวเมืองราชครดังนี้ผู้ใดยังมีกิเลสดูดน้ำฝาดปราศจากธรรมะและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นไม่ควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะเลย ส่วนผู้ใดคายกิเลสดุดน้ำฝาดตั้งมั่นดีแล้วในศีลประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลควรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสาวะได้ 8. สัญชยวัตถุเรื่องสัญชัยปริภาชกพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ชนเหล่าใดเห็นสิ่งที่ไม่มีสาระว่ามีสาระ และเห็นสิ่งที่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความด âm ริผิดเป็นทางปฏิบัติย่อมไม่ประสบสิ่งที่มีสาระส่วนชนเหล่าใดที่รู้สิ่งที่มีสาระว่ามีสาระและรู้สิ่งที่ไม่มีสาระว่าไม่มีสาระชนเหล่านั้นชื่อว่ามีความดำ m ริชอบเป็นทางปฏิบัติย่อมประสบสิ่งที่มีสาระ9 นันทเทระวัตถุเรื่องพระนันทเทระพระผู้มีพระภาคตรบพระคาานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ฝนย่อมร่วรถเรือนที่มุงไม่ดีได้ฉันใดราคะย่อมร่วรถจิตที่ไม่ได้อบรมได้ฉันนั้นฝนย่อมร่วรถเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ฉันใดราคะย่อมรั่วรถจิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ฉันนั้น สิจุนทะสูกริกะวัตุเรื่องนายจุนทะฆาสุกรพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทําบาปเป็นปกติย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเศร้าโศกในโลกหน้าชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาย่อมเศร้าโศกเดือดร้อนเพราะเห็นกรรมที่เศร้ามองของตน 11. ทเธรรมิกาอุปาสกาวัตถุเรื่องอุบาสกผู้ประพฤติ ธ, ธรรมพระผู้มีพระภาคตรับพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทำบุญไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังบันเทิงใจในโลกหน้าชื่อว่าบันเทิงใจในโลกทั้งสองเขาย่อมบันเทิงเรื่อนเริงใจเพราะเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตน 12. เทวทัตตวัตถุเรื่องพระเทวทัตพระผู้มีพระภาคตรัสระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ผู้ทําบาปเป็นปกติย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ตายไปแล้วก็ยังเดือดร้อนในโลกหน้าชื่อว่าเดือดร้อนในโลกทั้งสองเขาย่อมเดือดร้อนใจว่าเราได้ทําบาปไว้แล้วครั้นไปสู่ทุกติ เขายิ่งเดือดร้อนมากขึ้น 13. สุมนาเทวีวัตถุเรื่องนางสุมนาเทวีพระผู้มีพระภาคทรงปรารภนางสุมาาเทวีทิดาคนเล็กของเศรษฐีซึ่งเสียชีวิตจึงตรัสพระคถานี้แกอนาถบินิกะเศรษฐีดังนี้ผู้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินใจในโลกนี้ ตายไปแล้วก็ยังเพลิดเพลินใจในโลกหน้าชื่อว่าเพลิดเพลินใจในโลกทั้งสองเขาย่อมเพลิดเพลินใจว่าเราได้ทำบุญไว้แล้วครั้นไปสู่สุคติเขายิ่งเพลิดเพลินใจมากขึ้น14เทวสหายกะกิิขุวัตุเรื่องภิกษุสองสหายพระผู้มีพระภาคตรัพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ คนที่กล่าวพุทธพจน์แม้มากแต่มัวประมาทไม่ทําตามพุทธพจน์นั้นย่อมไม่ได้รับผลแห่งความเป็นสมณะเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคได้แต่นับโคให้คนอื่นฉะนั้นคนที่กล่าวพุทธพจน์แม้น้อยแต่ประพฤติทธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นปกติละราคะโทสะและโมหะได้แล้วรู้ชอบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วไม่ยึดติดในโลกนี้และโลกหน้า เขาย่อมได้รับผลแห่งความเป็นสมณะยะมะกะวักที่หนึ่งจบสองอปมาทวักหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งสามาวตีวัตถุ เรื่องพระนวสามาวดีพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ความไม่ประมาทเป็นทางแห่งอมะตะความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายคนผู้ประมาทจึงเหมือนคนตายแล้วบัณฑิตทราบความต่างกันระหว่างความไม่ประมาทกับความประมาทนั้นแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ย่อมบันเทิงใจในความไม่ประมาณยินดีในทางปฏิบัติของพระอริยะทั้งหลายบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์เหล่านั้นเพ่งพินิษมีความเพียรต่อเนื่องมีความบากบันมั่นคงเป็นนิดย่อมบรรลุนิพพานอันเป็นสภาวะยอดเยี่ยมปลอดจากโยคะสองกุมภะโคสกะวัตถุเรื่องนายกุมภะโคสกะ พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเจ้าพิมพิสารและในกลุ่มพระโคสกะดังนี้ยย่อมเจริญแก่บุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรมีสติมีการงานสะอาดไคร่ครนก่อนทำสำรวมดำรงชีวิตโดยธรรมและไม่ประมาท 3. จุลปันธกวัตถุเรื่องพระจุลปันธก พระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้คนมีปัญญาพึงทําที่พึ่งดุดเกาะที่น้ําท่วมไม่ถึงด้วยความขยันด้วยความไม่ประมาทด้วยการสํารวมและด้วยการฝึกฝน 4. ีพาระนักขะตะัตตวุเรื่องนักสัตว์ของคนพาลพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ คนพานมีปัญญาสามประกอบความประมาทอยู่เสมอส่วนบัณฑิตผู้มีปัญญารักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนคนรักษาทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประกอบความประมาทอย่าประกอบความเชยชมยินดีในกามเลยเพราะผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมได้รับความสุขอันไพยบูนห์ 5. มหากัสปะเทรวัตถุ เรื่องพระมหากสปเถร ะ, ระพระผู้มีประภาคตรพระคาถาดังนี้เมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทขึ้นสู่ปัญญาดุจปราศาทตร์ไม่เศร้าโศกพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้มีความเศร้าโศกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้เป็นนักปราดย่อมเห็นคนผ่านได้เหมือนคนที่ยืนอยู่บนภูเขาเห็นคนที่ภาพพื้นได้ฉะนั้น เทวสหายกะภพิขุวัตุเรื่องภิกษุสองสหายพระผู้มีประภาคตรรัตคาถานี้แกภิกษุสองรูปดังนี้ผู้มีปัญญาดีเป็นผู้ไม่ประมาทในเมื่อผู้อื่นประมาทเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากในเมื่อผู้อื่นหลับย่อมละทิ้งคนมีปัญญาซามไปไกลเหมือนม้าฝีเท้าจัดวิ่งละทิ้งม้าที่หมดแรงไว้ฉะนั้น เมคภาวะทุเรื่องเท้ามาขวานพระผู้มีพระภาคตรัพระคาทานี้แก่เจ้าลิชวีนามว่ามหาลิดังนี้เท้ามาขวานประเสริฐสุดในหมู่เทวดาเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทและติเตียนความประมาททุกเมื่อ 8. อัญญะตระภิกขุวัตถุเรื่อง ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัะพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือเห็นภัยในความประมาทเผาสังโยชนน้อยใหญ่ได้หมดเหมือนไฟเผาเชื้อน้อยใหญ่ให้หมดไปฉะนั้น 9. นิคมวาสีติสะเทระวัตถุเรื่องพระติสะเทระผู้อยู่ในนิคม พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่พระติสะเทระผู้อยู่ในนิคมดังนี้ภิกษุยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความประมาทเป็นผู้ไม่เสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้อปมาทววักที่สองจบ